วันนี้ก็จะได้พูดเรื่องธรรมมาจากกบัตรนสูตรตอนที่สามนะฮะตอนที่สามเป็นการแสดงถึงวิธีจัดสรูคือเมื่อพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติมาโดยลำดับแล้วก็ได้ทรงแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าจักรยานปัญญา วิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นภายในพระไตยของพระองค์ในสิ่งที่องค์ไม่เคยสดับมาในการก่อนและการเกิดขึ้นขึ้นนั้นเป็นการเกิดขึ้นโดยลําดับคือเป็นชั้นๆไปเราเรียกว่าพระยานทั้งสามประการเ ก, เกิดขึ้นในครั้งแรกว่า นี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ระยานข้อนี้เราเรียกว่าสัจญาณคือประยานที่อย่างรู้ความจริงในอริยสัจทั้งสี่ประการว่าอะไรเป็นอะไรทรงใช้คำเป็นภาษาบาลีว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเคยเห็นมาคือไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้ถึง ซึ่งความดับทุกข์และทรงใช้คำโดยทานองเดียวกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยาวเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทรงแสดงว่าจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้สดับมาในการก่อนว่าทุกนันควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรคควรเจริญและทรงแสดงตอนต่อไปว่าจักุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นในธรรมที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้ว มิโรดที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วและมรที่ควรเจริญได้เจริญแล้วตรงนี้มีประเด็นที่ควรจะทําความเข้าใจไว้เป็นอันมากเพราะว่าคำว่าจัตสรู้คือเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นไม่ใช่เป็นความรู้มาจากการคิดหรือการศึกษาสดับับฝังมาที่ทรงใช้คําว่า ไม่เคยสะดับไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนจึงก็หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้หรือยานที่เกิดขึ้นในอริยศาสตร์ทั้ง4ประการนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนครนี้พึงนึกว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เข้าไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเป็นอันมากแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติจนจบหลักสูตรของอาจารย์นั้นๆ ทุกสานักแต่ว่าเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยได้สดับมาในสํานักของใครก่อนแต่เป็นความรู้ด้วยสิ่งที่ทรงใช้คำว่าจักคุ้งอุาาดาปาฏิยาณังอุาาดาปาฏิปัญญาอุาาดาปาฏิวิชาวุาาดาปาฏิอโลโก อ, อุาาดาปาเดคือสิ่งที่เรียกว่าจักกุซึ่งวันก่อนได้เคยอธิบายมาแล้วว่าจักสุในความหมายนี้นั้น หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าทิปจักสุคือตาทิปปัญญาจักสุคือตาปัญญาพุทธจักสุคือจักสุของพระพุทธเจ้าและปัญญาจักสุคือประสพพันยุตยา น, นั่นเองานคือความรู้ก็มีความรู้สามประการน่นก็ปัญญาก็คือปัญญาที่รู้แล้วเป็นเหตุให้ทำลายกิเลสได้ ที่ทรงใช้คําว่าส ม, มัปปัญญากร น, นี้ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคําที่ทรงแสดงว่าเอวเมตังยธาภูตังสมัปปัญญายะตตะบัข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าปัญญานะั้นมีอยู่หลายระดับจะแยกไปหมดก็จัดเป็นชุดๆกบมาก แต่ว่าในาที่นี้เป็นโลกุตระปัญญาแต่มันเป็นปนัญญาที่เกิดขึ้นแล้วทําลายกิเลสต่างๆได้หมดสิ้นไปโดยลําดับนะครับก็ทํานองแสงสว่างที่ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดความมืดไปโดยลําดับอีกอย่างหนึ่งวิชาทรงใช้คําว่าวิชาท่านทัง้งหลายคนสังเกตนะครับว่าจุดที่มุ่งปร ะ, ประพฤติปฏิบัติเพื่อทําลายคืออวิชาอาวิชา ในที่บางแห่งเวลาเัาสั่งเล่าเรื่องการศัตรูนะครับจะทรงใช้ชคำว่าอวิชชาในจุดนั้นดับเรื่อยเช่นวความไม่รู้ในชาติก่อนของพระองค์ดับวิชาได้เกิดขึ้นคือความรู้ได้เกิดขึ้นอวิชชาในเรื่องกรรมดับวิชาก็เกิดขึ้นอวิชชาในเรื่องสังสารวัฏดับวิชากเกิดขึ้นแล้วก็อวิชชาในการ ติดอยู่ภายใต้อาสะวะทั้งหลายดับเพราะวิชามันเกิดขึ้นเพราะในตัววิชามันก็เหมือนกับแสงสว่างตัววิชาก็เหมือนกับความมืดแสงสะบางเกิดที่ไหนก็เกิดที่เคยมืดจ้ะความรู้เกิดที่ไหนก็เกิดที่ไม่รู้นั่นแหละที่ไม่รู้มันก็เป็นความรู้เกิดความรู้ขึ้นมาพอเกิดความรู้ขึ้นมาความไม่รู้ก็หายพอเกิดแสงสว่างขึ้นมาความมืดมันก็หายดังนั้นทรงชายคําว่าวิชา ซึ่งแปลว่าความรู้พอความรู้เกิดอภิชามันก็ดับเพราะมันจะอยู่ร่วมกันสองอย่างในขณะเดียวกันไม่ได้วิชาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกสงชาคำว่าอาโลโกคือแสงสว่างเป็นลักษณะของความสว่างที่ปรากฏขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ซึ่งถูกบิบบังด้วยความมืดมาเป็นเวลานานพยานเหล่านี้เวลาเรียงตามลาดับท่านก็เรียงว่า ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัจจะญาตคือปรีชาอย่างรู้ความจริงในอริยสัจคือรู้สี่ครั้งนะฮะรู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดแห่งทุกขุนี่ความดับทุกขุนี่ข้อปฏิบัติแห่งแหความแบบทุกข์ปรญญานี้เกิดขึ้นแล้วรู้ตลอดสายของอริยสัจแต่รู้เท่านั้นนะรู้แยกได้ชัดเจนออกเป็นสี่แบบต่อไปเมื่อทรงปฏิบัติสืบต่อไปก็ปรญญาใหม่ก็เกิดขึ้น ปริมาณของคําที่ทรงใช้ทรงใช้คำเหมือนกันนะฮะจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างใช้คาเหมือนกันแต่ว่าไอาคุณภาพไม่เหมือนกันคุณภาพไม่เหมือนกันคล้ายๆคุณภาพของนิพพานคุณภาพของปัญญาเลยจะขึ้นอยู่กับไปวางอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช้คาเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันหรือตัวอย่างที่เห็นได้ ง, ง่ายเราเคยพูดเราเคยผ่านกันมา anytime, บ, บ่อยๆก็คือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเรื่องปีติเรื่องสุข ว่ามันอยู่กระจายกันอยู่ในที่ต่างๆที่จริงสุขในปฐมฌานกับสุขในทุติยฌานมันก็ไม่เหมือนกันสุขในทุติยฌานกับในตาติยฌานก็ไม่เหมือนกันอีกคับพวกนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่ากิจจญาณคือรู้กิจที่ควรทําในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการคือรู้ว่าทุกขนั้นควรกําหนดรู้เป็นปริญญาตประธรรมนะครับ เป็นปัญญาตัดประธรรมคือธรรมะที่ต้องรู้ไว้เฉยๆตานั้นเองว่าเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมันเกิดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นเป็นอวิชาในความเกิดของโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้สืบไปพระสืบไปก็ไปชนอวิชาอยู่ทุกทีเสียเวลาปเปล่าก็เอาไปพอถึงอวิชาทีเดียวแล้วก็หยุดกันเลยตัดแค่นั้นไม่ต้องสืบสาวไปเพราะยิ่งสืบสาวไปมันก็ไกลตัวเกินไป ดังนั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนในแนวที่คล้ายๆกับว่าคนเราเนี่ยกำลังถูกลูกศรเสียดลูกศรเป็นนันมากนะฮะลูกศรคือความโศกคือความโลภความดิจาริษยามันเสียดแทงอนะสิ่งที่เสียดแทงทั้งหลายเป็ น, น, นมากนี่แต่หน้าที่ของเราก็คือรีบถอนลูกศรนนะมันไม่ต้องไปยุ่งแหละใครยิงยิงมาจากไหนยิงโดยใครต้องการยิงทําไมอะไรไม่ต้องไม่ต้องสื่อมันถอนลูกศรนออกเสก่อน นี่วิธีปฏิบัติอย่างง้นตพราะงั้นอะไรที่มันนอกเรื่องเกินไปจกไม่ให้สืบไปเสียเวลาปัญญาไอทุกจึงเป็นปัญญาแตประรรมเฉยๆท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางนัยยะทานักปราชญ์คือเขามีพื้นฐานพอจะฟังเข้าใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่แสดงนะฮะก็แสดงแต่แสดงมันก็หมุนกลับมันก็หมุนกลับในลักษณะของวัตถุอภิชามาจากไหน ที่จงอวิชานั้นเป็นต้นต่อของสังสาระแต่ถ้าคนฟังจะเจ้าฟังไปอีกทีหนึ่งต้องการจะทราบอีกทีหนึ่งก็มาจากพระวัตรนาแล้วพระวัตรนามาจากไหนก็มาจากอวิชชาอวิชชามาจากไหนก็มาจากพระวัตรน า, า, า, า, า ก, นก็เหือนไ ก, ก่กระขา ย, ขายเลยก็หมุนกันอยู่เงี้ก็เสียเวลาเปล่พูดเฉพาะไก่เลยมันอยู่ข้างหน้าพอแนละ้วไปสืบสาวมันก็เหมือนกัไอ้ไก่มาก็ะขายใครมาจากไก่ก็ยุ่ง มัน ก, ก็แบบวัตตาจักอย่างที่ว่าเนี่ยกิเลสเป็นเหตุทํากรรมทำกรรมรับไปบากแห่งกรรมไปบากเกิดขึ้นกิเลสก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ทํากรรมทำกรรมก็มมรับไปบากรับากก็กิเลสเกิดกิเลสเกิดทํากรรมอีกมันก็หมุนอย่างเงี้ยเพราะฉั้นเราพูดเอาเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งมันก็คือการนั่นแหละไม่ต้องสาวไปไกลทุกจึงเป็นปัญญาแต่ประธรรมที่ทรงสอนให้กําหนดรู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปไ ข, ขว่คว้าอะไรมากๆสมุทัยนั้นคือกลุ่มของกิเลสทั้งมวลนะฮะที่สรุป ลมในคําว่าปาหาสตประปธรรมเะมะที่ต้องหลับไม่ว่าเรียกยังไงก็ตามอย่างที่มาเคยบอกในวันกอ่อนในตอนที่สองนะฮะว่าที่ช้าคำว่าตันหานั้นคือแสดงอาการที่จิตมันถูกกิเลสกรุ่มรุมแรงกรุ่มแรงนะฮะจนเกิดดิ้นรนทะเยอทะยานอยากที่อุปมามันก็งูกระหายมากนะฮะลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วมันก็หมายถึงกิเลสทุกชนิดนะ หมายถึงกิเลส ท, ทุกชนิดเอ่อทีนี้เมื่อละตัณหาอีกกิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นมันก็ถูกละไปหมดได้ถูกละไปเช่นเดียวกันนะต่อไปก็นิโรธซึ่งเป็นเป้า น, ะนิโรธเนี่ยเป็นเป้าหมายอย่างที่เคยบอกว่าทำให้แจ้ง เป็นเป้าหมายเฉยๆเหมือนสถานที่ที่เราต้องการไปนะไอไปยังไงไปรถไปเรือมีสเสบียงยังไงก็ไปไปถึงเมื่อก็ถึงก็ทางนั้นเองนี่รถจึงแปลว่าความดับแปลวความดับทุกอย่างปริยายที่ยกมาตะกี้นี่ครัแปดอย่างแต่ที่จริงไม่ใช่แปอย่างนะครับประมาณที่เท่าเท่าที่พบมานี่สิบกว่าอย่างสี่สิบกว่าคำที่ต้องใช้ แล้วที่ท่านรวบรวมไว้ในมิลินปัญหามากกว่านั้นอีกคำที่ใช้แทนนิพพานนะเพราะนิพพานอย่างที่อามาบอกเมื่อกี้ว่ามันอธิบายไม่ได้มันไม่ใช่คำที่จะมาอธิบายมันเรื่องที่จะต้องกินลงไปเลยนะปรุงให้เสร็จบอกวิธีปรุงให้เสร็ จ, รรจแล้วก็เมื่อปรุงแล้วก็ไปรับประทานเข้าไปแล้วก็รู้เองวิธีอธิบายจึงอธิบายในรูปปฏิเสธทั้งหมดรูปปฏิเสธ ม, มีมีน้อยที่แสดงภาวะนะแสดงภาวะก็เป็นตัวความสุขเป็นนิพานังปรมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะแล้วก็นิพานังปรมังสุงนญ์ยังนิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งซึ่งก็หมายความว่ามันก็จงกันข้ามกับโลกโลกมันมีเนี่ยโลกมันมีอยู่เท่านั้นเพราะนิพานก็คือจงกันข้ามกับโลกเป็นภาวะที่ว่างว่างจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากสัตว์จากบุคคลมันไม่มีอะไร แต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ทรงค่กคำว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายบางทีทรงแสดงในรูปปฏิเสธทั้งหมดเช่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายดินก็ไม่ใช่น้าก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่ไฟก็ไม่ใช่อากาศก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่แล้วก็ว่าไปทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วตอนสุดท้ายว่าสิ่งนั้นผีมีอยู่นะภิกษุทั้งหลาย อธิภิกเวตดายาตนางฮนะจะขึ้นมาอย่างนั้นอธิภิกเวตดาญาตนางทุกกคนพิสูุทั้งหลายอาญาตนะนั้นมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่จะ่ลงนี้ไม่ใช่ล ง, ล ง, ลงนั้นว่าเรื่อยไปเสร็จ แ, แล้วตอนตอนท้ายสรุปสิ่งนั้นมีอยู่นักพิกษุทั้งหลายนั้นคือการพูดถึงนิพพานเพราะงั้นนิโรธก็คือตัวนิพพานนิพพานก็เป็นเป้าเป้าที่ต้องทาให้แจ้งมาร ก, ก็สรงเกิดญาณรู้ว่าควรเจริญนะ นี้เป็นเป็นยานชั้นที่สองนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสมมติโดยจะหยุดแค่นั้นมันก็จบสิทธต้องเดินขึ้นไปอีกยานหนึ่งที่เรียกว่ากัตตยานคือรู้ว่าได้ทําแล้วรู้ว่าได้ทําแล้วทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุติทยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้จเจริญแล้ว นี่สํานวนบาลีนั้นเวลาใช้ทั้งสอริยสัจนะครมันจะซ้ํากันผิดการเปลี่ยนเฉพาะเป็นปริญญาตปาปรธรรมปะหาตปรธรรมสติกาตปธรรมกับภาเวตาปธรรมเท่านั้นทีนี้เราเรามาดูถึงว่าสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่มาเคยบอกว่ามันสรุปลงในอริยสัจเพราะกลุ่มหนึ่งนั้นทรงสั่งสอนให้เรารู้ไว้แต่นั้นเองรู้โดยสภาพ่ามันเป็นยังไง เช่นใดเช่นขันห้าอายตนะสิบสองนะซึ่งธาตุสีอินทรีย์ี่สิบสองอะไรแต่ไรเนี่ยก็ไม่ได้สอนไปทำอะไรมัน่ะสอนให้รู้ไว้โดยสภาพมันเป็นยังไงเพราะว่าคนเราลุ่มหลงมัวเมากำหนัดขัดเคืองอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้รู้ไอ้นี่มัน ค, คือคือเป็นขบวนการตามธรรมชาติและกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มกิเลสนะกลุ่มกิเลสเป็นกลุ่มตัณหาสารพัดก็แล้วแต่จะเรียก ทั้งหมดฮะที่ที่ทรงสอนไว้เป็นอเนกกระปริยายเช่นอาจจะเรียกว่านิวรห้าอาจจะเรียกว่าอกุศลกรรมบทสิบอาจจะเรียกว่าอุปกิเลสสิบหกอาจจะเรียกเรียกว่าตัณหาสามอุปาทานสีกันธาสีโยคะสีว่าเรื่อยโอคะสีก็คือกิเลสฮะคือกิเลสที่ว่าเวลาเรียกชื่อนั้นเรียกชื่อตามลักษณะของมันเวลามันทําหน้าที่ฮะเราเรียกต่างกันเช่นเราเรียกว่าโยคะเพราะมันเวลากิเลสมันเกิดฮะ มันมัดเราไว้ตรงนั้นเนะครมัดเราไตรงนั้นเยวโยคะคือประกอบสัตว์ไว้ในเรื่องเหล่านั้นเช่นสมมติว่าเราเกิดโกรธอ่ะไอจิตบางคนมัวอยู่ที่ความโกรธอะไรเงมันไม่ไปที่อื่นอะบางทีเราเรียกคันทะคือร้อยรัดร้อยรัดเอาไว้เรียกว่าโคอคะคือคือมันมันพัดหมุนอะมีลักษณะเหมือน่วงน้ําโอคะเป็นชื่อของห่วงน้ําให้ลองสังเกตนะฮะว่ากิเลสนั้นเป็นนามธรรมา อาจาอธิบายกิเลสรูปเท้เจ้าต้องอาศัยรูปธรรมเข้ามาอธิบายคันทะคือเครื่องร้อยรัดเราเห็นเยอะไหมฮะโยคะเครื่องประกอบเครื่องขังสัตว์เอาไว้เราเห็นโอคะข่วงน้ําที่มันไหลพัดอะไรตกไปนี่เราเห็นพวกนี้พวกพวกรูปธรรมอาสวะเครื่องหมักเครื่องดองเรียกกิเลสชื่อมันตัวมันนั้นเป็นนามนะฮะแต่ว่าเวลาอธิบายต้องอาศัยรูปธรรมเข้าช่วยอาศัยรูปธรรมเป็นชื่อเป็น เป็นเป็นสิ่งที่เข้ามาจัดกลุ่มของกิเลสตัณหาตัณหาก็แปลอะไรคือว่าแปลว่ายางเหนียวบ้างนะฮะแปลว่ า, เ, าเครื่องร้อยรัดบ้างวานะนะฮะตัณหาบางบางบางบางบีงรางบางบางบางามมาเป็นบานะนงบางบางบางบางบางบางบางบนงบางาา เราเห็นได้ชัดนฮะอย่างอย่างสมัยก่อนเช่นโอโคมาผูกไว้เป็นแถวมันก็ติดอยู่ที่นั่ น, นอาศัยรูปธรรมเข้าช่วยขายความอธิบายชัดเจนขึ้นแล้วตัวกลุ่มนิโรธที่จริงก็คือกลุ่มผลทั้งหมดนะฮะมันก็อยู่ในกลุ่มนิโรธอย่างอ่อนที่มีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับนะพวกผลทั้งหมดที่ผลจากการปฏิบัติธรรมนะ ทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นนิโรธอย่างอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเข้มข้นสูงๆขึ้นเรื่อยๆอันนิโรธระดับทานมันก็ดับอะไรนิโรธแปลว่าความดับดับกิเลสนะฮะการให้ทานมันก็ดับอะไรดับโลภะดับมัจเรยะได้มันก็ชั้นหนึ่งอ่อนๆแล้วพอพอถึงชั้นศีลดับกิเลสเพิ่มขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้นมันก็นิโรธก็สูงขึ้นก็ดับได้มากขึ้นความทุกข์มันก็น้อยลงนะฮะเราจะเห็นว่าคนรักษาศีลความทุกข์จะน้อยลง โดยเฉพา ะ, ร ะ, ร, ะระดับอะไรระดับเวรไภระดับเวรไภเนี่ยมันจะน้อยลงพอมาถึงสมาธิมันก็ดับอีกอ่ะเป็นนิโรธระดับหนึ่งอีกแต่ก็ยังยังไม่เต็มรูปเท่านั้นเองเราจะจะพบวา่าถ้าถึงชั้นของสมาธิแล้วแม้แต่ความกระตุ่มเร่าร้อนของจิตมันก็จะดับอย่างน้อยก็สงบไปนะฮะถ้าแต่ไม่ได้หมายความปฏิบัติสมาธินะคือได้สมาธิ แต่สัมปัตผลสมาธิพอถึงชั้นปัญญาก็ไปกันไปกันด้วยเออเพราะงั้นตัวการปฏิบัติจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มพาเวตาปธรรมกลุ่มพาเวตาปธรรมกลุ่มที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติพวกกุศ ล, ลธรรมทั้งหมดนะฮะกลุ่มกุศ ล, ลธรรมทั้งหมดเรียพาเวตาปธรรมโอ้เจ้าก็ตรัสรู้ได้ยานสาในอริยสัจสนะทีนี้ช่วงที่พระองค์ยืนยันรับสั่งในตอนหลัง จะขึ้นโดยคำว่ายาวกีวันจะเมพิกเวนนะแปลเป็นใจความว่าโดยโดยสรุปว่าดูกรภิสูตทั้งหลายท่ายานสามที่เกิดขึ้นในอริยสัจทั้ง4มีวนสคือหมายความอาริยสัจแต่ยานแต่ละข้อเนี่ยแกจะเกิดในอริยสัจข้อละครั้งใช่ไหมเช่นข้อแรกก็เกิดว่านี้ทุกนี่สมุทยัยนี่นิโรดนี่มรรคก็เป็น4 พยานที่สองอีกก็ขึ้นว่าทุกนี่ต้องกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทาให้แจ้งมรคควรเจริญก็เป็นแปดแล้วก็กัตตาญาณกตตาญาณที่รู้ว่าได้ทําแล้วเนี่ยทุกควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยควรละได้ละแล้วนิโรธควรทําให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรคควรเจริญได้จเจริญแล้วนี่คือตัวตัวจริงๆนะฮะอยู่ตรงเนี้ยที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุอาสวะกยานก็อยู่ตรงเนี้ยได้รู้แล้ว พยานที่เป็นตัวสําคัญครบทกระบวนการของเขาคึงเห็นว่าระดับของสัจ ญ, ญานก็รู้ว่าทุกคนกําหนดรู้สมุทัยควรละเป็นต้นเนี่ยว่าจริงโดยปริยัติเราก็รู้กันนะอธิบายกันได้แล้วแม้แต่กิจยานเองเราก็รู้ได้โดยปริยัติแต่กัตายานทํายังไงยังไงก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติกัตายานที่รู้ว่าได้ทําแล้วทุกคนกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้ว สมุทัยควรละได้ละแล้วนี่ร่วบควรทําให้แจ้งนะทำให้แจ้งแล้วมักควรเจริญได้เจริญแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะทําไม่ได้เลยแต่อีกสองยานยังไงยังไงก็อาศัยปริญัติได้พอพูดได้พอชี้แจงได้อธิบายได้สั่งสอนได้พอถึงยานที่สามแล้วไปไม่ได้เลยนอกจากปฏิบัติเท่านั้นเพราะงั้นตัวยานเนี่ยพอยานนี้กเกิดมันก็ตัวตัวยานเนี่ยคือที่เราเรียกว่าที่จริงก็เรียกทั้งทั้งสามอันนะฮะแต่ว่าตัวแท้ๆคือตัวนี้ ที่เรียกว่าจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างคือตัวนี้ตัวแท้จริงตัวอื่นก็สนับสนุนเท่านั้นออต่อไปก็ทรงแสดงว่าถ้ายานสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสีมีวนสามีรอบ12บสองของเราไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดคือไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์เพียงใดแล้วเราจะไม่ปฏิยานว่าเป็นอราหารันตแต่สมาสมาสมุท ธ, ธเป็นผู้จัดสรูดีจัด ส, สรูชอบ ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะยานทั้งสซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4ี่มีวนสามีรอบ12ของเราบริสุทธิ์หมดจุดเราจึงปฏิยานตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือตลอดนะฮะเทวโลกมารโลกพรหมโลกก็ว่าไว้ละเอียดถึงท่านลองไปอ่านที่สวดบนแปลก็ได้หรือว่าที่ฟังฟังพระสูตดก็ยากหน่อยนะมันเป็นบาลีส่วนบนแปลเนี่ยเขาก็มี ที่นี่ก็มีอยู่หลายเล่มก็ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าการปฏิญาณเป็นอาหารหันตสมาคมสมุทธ h ของพระพุทธเจ้าเราจึงผิดกับคนอื่นทั้งหมดเลยพีกบันด า, าศาสดาทั้งหลายาศาสดาอื่นนั้นจะรับจากคนอื่นมาแต่ของพระพุทธเจ้าเราไม่ปฏิบัติเราเองเลยถ้าไม่บรรลุผลอย่างที่ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่ปฏิญาณ ทจริงถ้าหากว่าพระองคออ์ไม่มุ่งมรรคผลนิพพานนะฮะคือไม่มุ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ขีดความสามารถของพระองค์ก็อยู่ระดับยอดของอาจารย์ในสมัยนั้นแล้วคือการปฏิบัติทางจิตที่เราถือว่าสูงสุดในยุคนั้นคือท่านอุทกกดาบุรามบุตรและพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงชั้นของอุทกรดาบุรามุตรเรียบร้อยมาแล้วก่อนจะห น, น้านั้นตั้งนานนะ แต่พระองค์ก็ไม่ใช่ถือว่าถือว่าไม่ใช่เรื่องตัดสรุแต่เป็นเรื่องส ง, งบเฉยเฉยเรื่องส ง, งบกิเลสไปเฉยเฉยเท่านั้นจึงไม่ไม่ได้แสดงอะไรออกมาตอนนั้นแต่ถ้ายานสามไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ปฏิญาณอีกไม่ปฏิญาณดังนั้นการการปฏิญาณของพระพุทธเจ้านั้นจึง เ, เราเอามาเกี่ยวข้องกับการอวดไม่ได้นะการอวดนั้นอีกเรื่อง เราจะเห็นว่าพระอรห on ันต์ทั้งหลายเองไปไม่ปฏิญาณปฏิญาณปฏิญาณความเป็นอรหันต์สมมาสมุทธ h ท่านั้นไปปฏิญาณความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ปะพนกันนั้นไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์นอกจากพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าพระพทจ้ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะแต่เป็นอรหันต์สมมาสมพุทธเจ้าท่านั้นเพราะมีวินัยห้ามปฏิญาณห้ามบอกกล่าวอุตริมนุสธรรมของกันและกัน เป็นเป็นศาสนาเลยปกปิดความดีนะฮะแต่ว่าเปิดเผยความไม่ดีความไม่ดีของตัวเองนะไม่ใช่ของคนอื่นนะฮะของคนอื่นแล้วก็ให้เปิดเอ่อให้ปกปิดเหมือนกันแต่ถ้าความไม่ดีของตัวเองแล้วก็ให้เปิดเผยเพื่อคล้ายๆกับอาศัยเสียงของคนอื่นสายตาของคนอื่นช่วยควบคุมความระฟื้นตัวเองควบคุมความระฟื้นตัวเองเอ่อ ในช่วงนี้ที่ประเด็นที่น่าศึกษาอีกช่วงหนึ่งซึ่งควรทําความสังเกตไว้นะฮะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนกันทุกแห่งน ะ, ะพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ว่าใช้ตอยคําแตกต่างกันหน่อยบางแห่งแต่สรุปแล้วว่าโดยอัฏ ฐ, ฐะแล้วเหมือนกันทรงใช้คําว่ายานันจะปะณะเมดัส ja นังอุดาปาดิก็แลยานยานที่เกิดสืบต่อจากยานนี้อีกทีหนึ่งนะ เกิดจะเกิดสืบต่อจากญาณนี้อีกทีหนึ่งก็แรยญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติในที่นี้คำว่าชาติที่แปลว่าความเกิดนะฮะความเกิดนี่เห็นจะต้องเน้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นคำที่ออกจะมีปัญหาแล้วในปัจจุบันแต่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงแส ด, แดง ไว้ลงตัวทุกทีแล้วก็เออมื่อแวะแล้วก็อยากจะแวะอีกทีหนึ่งฮะว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสองแนวนะฮะแนวหนึ่งเขาเรียกว่านัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่ง เ, ออเขาเรียกว่าปริยายฮะรปริยายเทศนาซึ่งหมายความว่าคนฟังมันอยู่ในพื้นฐานขนาดไหนพระเจ้าจะแสดงเฉพาะนัยยะนั้นเท่านั้นนะครับเท่านั้นเช่นสมมติเราจะพูดถึงเรื่องความเสือ่อมคนนี้เกียรคล้านะ พูดเฉพาะความเกลียดคราสตัวเดียวพอเสื่แต่อย่างอื่นก็ดีเสีย น, นิดเดียวเกลียดคราสกาพูดพระพุทธเจ้าจะเน้นเฉพาะเกลียดคราสเท่านั้นคนนี้เป็นนักเลงหญิงเน้นเฉพาะนักเลงหญิงเท่านั้นเป็นทางเสื่อมเป็นอบายมุกนะเพราะงั้นอาบายมุนะกาามจึงมีเยอะแต่ทั้งหมดแล้วทั้งหมดนั้นคืออาบายมุกมันเป็นทางเสื่อมเหมือนกันมทีนี้คนอื่นเขาไม่จําเป็นอะไรเนี่ยฮะอย่างคนนี้ เขาไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนั ก, น ก, นกเลงการพ น, นันไม่ครบขนชั่วเป็นมิตรแต่เสียนิดเดียวขี้เกียจจังพูดเฉพาะขี้เกียจตัวเดียวอย่างอื่นไม่ต้องพูดเขาดีแล้วเนี่ยไอ้พูดก็ทําไมแต่อย่าลืมมาทั้งหมดนั้นคืออวบายสมุทรนี่เขาเรียกปริยายเป็นนัยยะของพระธรรมเทศนาถ้าท่านไปลองอ่านในพระไตรปิฎกเนะฮะยกตัว อ, อย่างจ้เห็นได้ง่ายที่สุดคืออย่างอย่างอินทรียห้าเนี่ยแสดงกระจัดกระจาย ก, กันแล้วแต่บางทีสแสดงก็เดียวเอง แดงข้อเดียวพอแล้วแล้วข้ออื่นมันไม่มีปัญหานี่นะเพราะการแสดงธรรมะในคราวนั้นไม่ใช่แบบปูพรมไม่ใช่แบบปูพรมแต่ว่าพระพุทธเจ้าเจาะไปแสดงแกคนนั้นคนนี้คือแสดงไปตามอุปนิสัยตรรบารมีของคนนั้นในยะหนึ่งเขาเรียกวันนี้ปริยายคือลงตัวทุกทีเลยนะไอ้ลงตัวทุกทีอย่างเช่นว่าทรงแสดงอริยสัจเนี่ย ชาติปีดูข้าจะราปีดูข้ามานาปีดูข้างอย่างนี้ทุกทีแหละถ้าสบายชุดอริยศาสตร์จริงๆนะฮะจะพูดอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วไม่ว่าไปเปิดสกกีสิบเล่มพระไตรปิฎกตางเหมือนกันทุกตัวด้วยท้าไประดับชานแสดงเหมือนเงี้ยขึ้นถึงวิวิทจยาวาคเมววิจัยกุสเลหิทํามเมหิตสวิตตากังสวิจาจรณงขึ้อย่างนี้ทุกทีฮะแสดงเมื่อพระชนมายุสามสิบห้ายังไงตอนแปดสิแสดงงั้นเหมือนกัน เรียกว่านีิปรายคือลงตัวเลยไม่มีการวิปริตเปลี่ยนแปลงและพวกนิปริยายเนี่ยคำว่าชาติความเกิดนี่มันอยู่ในนิปริยายคือลงตัวอย่างนั้นทุกทีเหมือนกันพระพุทธเจ้าเทศภาษาดิบุตรเทศหรือใครเทศจะลงตัวอย่างนั้นนะยาชาติสัญชาติขันธานาังปาตุภาโวอายตนานังปฏิลาโภอายังวุจติพิกเวชาติจะขึ้นอย่างนั้นเหมือนอย่างนี้ทุกทีฮะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าภาษารนบุทสแสดงก็ดูก่อนอวุโสทั้งหลายก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็สรุปว่าความเนี่ยเท่ากันดูก่อนภิสูจนทั้งหลายชาติความเกิดชาติคือความเกิดความเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใด น, นะอย่างวุจติพิกเวชาติดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเกิดท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยนะว่าทําไมคำอันใหญ่ เพราะกำเนิดมันเยอะกําเนิดมันมีสี่อายางชาติหมายถึงว่าเกิดในขันเกิดแล้วก็เกิดพร้อมคือหมายถึงว่าการเกิดในไข่ความปรากฏแห่งขันคือคือว่าเกิดในของสุกปุกแล้วก็เอ้ไม่ใช่ความปรากฏแห่งขันนี่คือเกิดผุดขึ้นมาเลยโอป ป, ปาติกะขันมันปุ๊บขึ้นมาเลยนะ เป็นบินยูชนเลยไม่ต้องผ่านความเป็นเด็กและเวลาตาก็หายไปเลยไม่ทิ้งซากสัตว์ประเภทนี้ไม่ทิ้งซากมันก็มีอะไรมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์นรกมีเทวดามีพรหมดิริชานทิ้งซากนะดิริชานมันเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกก็แล้วแต่กำเนิดจะมีสี่คาจึงชัจิงชส กำเนิดก็มีเกิดในคันเกิดใ น, นเคยเกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นแต่เนี่คําว่าความเกิดคือหมายความว่าอย่างนี้แล้วหมายความมาอย่างนี้ทุกทีถ้าใช้คำํำว่าอะไรก็คือว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้นจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็หนุนกันไม่ใช่ว่าแสดงตรงนี้อย่างนี้แล้วก็วันนี้พูดอีกอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้ะไรันของพระองค์จะลงตัวอยู่ตลอด ชาติความเกิดจึงหมายว่าเกิดในกำเนิดทั้งสี่เป็นการแสดงถึงอะไรแสดงถึงว่ า, าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดอีกทําไมจึงไม่ต้องเกิดอีกเพราะไอเหตุแห่งความเกิดนั้นไม่มีแล้วเนื่องจากบรรลุอาสวะกยานคือคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับพืชที่มันหมดอย่างเหนียวฮะย่างเหนียวในพืชไม่มีมันแห้งกรอบนะอย่าปลูกยังไงก็ไม่งอก เราไม่ต้องพูดถึงเอาไปปุ๋ยดียังไงหรือว่าจะมีหน่อน่หน่มันก็ต้องตอบไปด้วยมันก็หมดไปโดยประยายแต่ทรงที่นี้ทรงใช้อาสวัขยานแต่อย่าลืมมาคําว่าอาสวัขยานนั้นมันมันไม่ได้หมายถึงว่าพูดสิ้นอาสวะอย่างเดียวมันสิ้นหมดนะ่ะกิเตศเรียกยังไงก็ตามบางทีก็เรียกว่าละบุญและบาปบางทีก็ถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากบางทีก็เพราะขจัดอวิชชาคือคือคือกัน เป็นการแสดงเรื่องเดียวกันแต่ก็เป็นโมหาระเทศนาโวหาระเทศนาพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในโวหะคือแสดงธรรมใ้มากในโวหะถ้าตั้งหลายลองสังเกตนะว่าอริยสัจ4ี่จริงๆนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นเน้นที่ ช, ชี้ชี้ที่ทุกข์ชี้ที่ทุกข์มากเอาทุกข์มาขึ้นก่อนเลยเพราะคนไม่ชอบทุกขนะ์คนไม่ชอบทุกข์พราะาเอาทุกข์มาพูดจัด แต่ที่จริงเวลาสอนให้ดับไม่ให้ดับทุกนะฮะพูดว่าดับทุกแต่ที่จริงไม่จะดับทุกอะทุกขานิโรธฮะดับทุกนะฮะแปลว่าดับทุกทําไมต้องต้องพูดว่าดับทุกคือนี่คือบูหารเทศนาเพราะถ้าดับกิเลสอะคนยังไม่เห็นกิเลสอะชักเสียดายแต่งิดแต่หงินกิเลสไม่อยากดับนะแต่ว่าทุกคนไม่ชอบเพราะงั้นเวลาพูดจึงพูดดับทุกแต่ว่าพอถึงยานก็จริงแล้วรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราต้องดับจริงๆคือกิเลสมันไม่จะทุกข์ก่อน ให้ลองสังเกตนะพอถึงระดับญาณเนี่ยโยงทรงแยกทุกข์ไปเป็นพวกปริญญาตรประธรรมเฉยๆธรรมที่ททควรกําหนดรู้แต่ว่าดับกิเลสก็คือดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือดับกิเลสก็อันเดียวกัน น, นี่คือโวหารเทศนามันมันมีลักษณะเร่งร้าวมากกว่าที่จะพูดประดับกิเลสก็ทรงช้ากับว่าดับทุกข์แล้วก็แสดงให้เห็นว่า แต่การที่มีมีคำอธิบายในที่บางแห่งนะฮะแล้วรู้สึกจะมากเมื่อเมื่อคืนเนี่ยก็พูดหนังสือเล่มหนึ่งก็ก็ก็แนวนั้นเองจะพูดไปในทํานองว่าชาตินั้นคือความเกิดของกิเลสอย่างที่มาเคยเคยสรุปให้ฟังว่าอย่าลืมมาที่เราสวดชาติปีตุขาชราปีตุข า, า, ขามนัปปีตุขานะฮะเราสวดนี่คือพระไตรปิดกเลยพระธรมธะรมเทศนากันแรกเลยนะฮะถ้าชาติคือความเกิดของกิเลสแล้วจะมีปัญหาทันทีเพราะถ้าชาติความเกิด ที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์แต่เป็นความเกิดของของกิเลส ช, ชาติความเกิดเป็นทุกข์พอฟังได้จะาความแก่เป็นทุกข์กิเลสแก่คือกิเลสน้อยลงนะฮะถ้าพูดถึงปริยานี้ก็พอยังพอฟังได้น ะ, ะกิเลสน้อยก็ยังทุกข์อยู่แต่มื่อนปีดูขังกิเลสตายะะกิเลสหมดมันเป็นทุกข์ได้ยังไงนี่คือขัดแย้งกับพระพุทธวจนะทาันตีอย่าไปบิดเบือนของท่านนะะท่านจัดรู้ท่านแสดงไว้ลงตัวแล้วเราทํำมายุ่งะถ้าเราไม่ทำมายุ่งมันไม่ยุ่งหรอกฮะธรรมานี่ไม่ยุ่งเลย ไม่ว่ายังไงก็ตามว่ายังไงว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าว่ายังไงว่าอย่างไรว่าว่าอย่างนั้นแล้วอามาก็อยากจะมีข้อสังเกตที่จะบอกยอดโยมทั้งหลายอีกข้อหนึ่งมันก่อนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วนักศึกษาเขาฟังว่าให้ลองสังเกตดูว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านคุยกันท่านไม่พูดว่าท่านว่าเองนะแต่นั่นที่ท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ว่าที่จริงตัวรู้ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่อิงอาศัยพระพุทธเจ้าแล้ว ท่นรู้ด้วยญาณของท่านเช่นเดียวกันแต่เป็นการรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้ข้อนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้อย่างนั้นพระมหาโกติตะคุยกับภาษาดิบุตรพระสาดิบุตรก็อ้างข้อนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งไอย่างนั้นข้อนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งไว้อย่างนั้นข้อนี้รับสั่งไว้อย่างงั้นพระปุณณะมันตานีบุตรสนทนากับพระพุทธเจ้าเออกับภาษาดิบุตรก็เหมือนกันนะคือพระปุณณะนั้นท่านเป็นชาวกรุงกบินลาพัฒน์ท่านมาไกลภาษาดิบุตรท่านอยู่ในพุทธสํานัก เพราะงั้นเวลาคุยกันภาษรราทีบุตรก็ต้องอ้างของพระเจ้าเลยพระเจ้ารับสั่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือแสดงว่าพระอาหารหันต์นั้นจะไม่ไ ม, ไม่รับไม่ไม่พูดอะไรเองยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดอีกท่านหนึ่งคือพระหมหากระจาชนะพระมหากระจายนะในยอดในนักอธิบายธรรมะนะพร ะ, ระจนะพเจ้าพูดประโยคเดียวเรียกพัฒเดกรัตโตแค่คําเดียวนะฮะพัฒเดกรัตโตให้ภิกษุทั้งหลายเป็นพัฒเดกรัตโตคืออยู่แม้แต่วันเดียวก็จเจริญแปลว่ามีราตรีเดียวจเจริญ แล้วก็ไม่รัดสังไรสเสด็จขึ้นนี่เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่ต้องการจะยกย่องพระประเด็นลุกขึ้นเอลุกขึ้นพระทั้งก็ลลาละหละังอะไรรับรัดสังนี้เดียวไปจแล้วก็หันไปถามพ ร, ระมหาการชนะว่าหมายความอย่างไงพระเดชก็รับตอบพร ะ, ระหมหากรารชนะอธิบายปะโยดย้อยเลยอธิบายปะโยชนย้ยอยไหนเสร็จแล้วท่านท่านบอกอยังไง ร, รู้ไหมจำลอกนี้ที่ผมอธิบายนี้ท่านต้องไปถามพระพุทธเจ้ากราบทูลถามทีนะ รับสั่งว่าอย่างไงแล้วก็ให้ทรงจำว่าอย่างนั้นทิศุนเหล่านั้นก็ต้องไปทวนกับพระพุทธเจ้าอีกทีรับสั่งไปกราบทูลว่าพระหมหาเจ้านะอธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นพระุทธเจ้าภาษาถูถกแล้วถ้าธรรมเขาอธิบายกาอธิบายอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือลักษณะของพระอานาร์ให้ลองสังเกตนะว่าจะไม่มีวาทศไปขัดแยงง้งนะมนไม่ไปขัดแย้งกับพุทธเจ้าและจะเชิดชูพระพุทธวจะนะไว้ตลอดเลจะไม่พูดอะไรเอาเอง เพราะฉะนั้นในข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าแสดงชาติไว้อย่างนี้นะฮะชาติไว้อย่างเงี้ยคือชาติในกําเนิดทั้ง4เนี้ยชาตินี้คือกําเนิดสี่เนี้ยเกิดในขัน้ น, น, น<ๆ>เกิดในข่ยเกิดในของ <aw ans, S 1> สกรเกิดได้ผดขึ้นนัตติดา น, นิปุนัปภะนัตติดาณิปุนัโภะคือพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปพบก็คืออะไระะคือการเกิดเราจะเห็นว่าเวลาพบน่ะเรานเรียกส bon. าเวลาภูมิเราเรียกสี่นะฮะ เพราะั้นไอ้ภนั่นคือที่อยู่ของสัตว์ภูมินั้นคือชั้นของจิตคือชั้นของจิตหมายถึงชั้นจิตพบก็คือกามาภพภพที่ต้องท่องเที่ยวอยู่ในกาลก็หมายถึงกําเนิดทศวรรษสิบอนะฮะสิบเอ็ดกเนิด11กําเนิดก็เป็นเป็นมนุษย์ที่หนึ่งมามนุษย์อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็เป็นอบายที่สเป็นห้าเป็นสวรรค์กามาวจรที่หกเป็นสิบอนี่เขาเรียกกาลมาภพมีสิบอ 11, 11ชั้น11ชั้นนี่ท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าชั้นกันซ้อนแบบจานซ้อนนะฮะชั้นในที่นี้หมายถึงชั้นความประนีตของภพของภูมิภพภูมิลักษณะชีวิตนะฮะคือคือคือคื อ, ค, อคือความประนีตของของรูปแบบชีวิตที่มีความประนีตไม่เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปโดยดำๆแล้วก็ต่อไปเป็นรูปภพค บ, พบก็หมายถึงพรหมโลก 16-16 ก16ชั้นนะฮะ ซึ่งเป็นผลจากฌานเป็นผลจากฌานโดยการมาเป็นสมาธิเสียสิบเอ็ดนะฮะเสิบเอ็ดและอีกห้านั้นเป็นพระอนาคามีซึ่งจะต้องไปบังเกิดในที่นั้นแล้วก็อรูปปพบสี่สี่เป็นผลจากการปฏิบัติในอรูปกรรมฐานจนได้บรรลุอรูปฌานแล้วจะไปเกิดในที่นั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดนี่ถูกจำแนกโดยกรรม มันจะไปโยงกับอะไรจุตูปปาตยานคือการรู้จักจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าทําไมมันต่างกันเพราะกรรมมันต่างกันคนที่เกิดในรูปประพร ม, มก็เกิดในสวรรค์มันก็กรรมมันต่างกันเกิดในชั้นสุทธาวาสเป็นพระนาคามีมันก็กรรมมันก็ต่างกับตัวพรลมาโลกชั้นต่างกรรมมันก็ต่างกันถ้าถ้าเรามองดูเราก็ดูได้แม้ในในชีวิตปัจจุบันนะฮะเราเปรียบเทียบได้ในชีวิตปัจจุบัน แต่ถ้าภูมินะฮะภูมิจะมีกามาวจรภูมิเหมือนเหมือนกับกามาวจรภพนะฮะเหมือนกามาภพน ะ, ะรูปาวจรภูมิก็เหมือนกับรูปภพอรูปาวจรภูมิก็เหมือนกับรูปภพแต่มีโล ก, กุตรภูมิโล ก, กุตรภูมิก็คือภูมิที่มันเหนือโลกเป็นภาวะเป็นระดับของชีวิตของไม่จิกันชีวิตนะฮะของของธรรมะนะที่อยู่เหนือโลกคือพ้นจากโลกเพราะฉะนั้น อะที่โลกมีเนี่ยโลกุตระผูมันไม่มีแร้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะไปอ้างรูปแบบของชีวิตอย่างงั้นอย่างนี้ในโลกุตระผูมิจะไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่แสดงเอาไวนะ้นะนัตถิดานิปุนัพโูคือพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแสดงว่านิพพานในศาสนาไม่ใช่พบใดพบหนึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามนะไเรียกชื่ออย่างไงก็ตามอันนี้มาก็เคยเพูดไว้ทีหนึ่งตอนตอนอริยสัจระ ต่อไปก็ก็จบจบสูตรนะฮะสูตรจบจบจะขึ้นแนวนี้นะฮะสูตรจะขึ้นว่าอิดามโวเจภค ว, วาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดพระสูตรนี้จบตรงอัตมานาปัญญวัคคยาปิคู่ปะกวัวโตภาสิตังอภินันต์รงปิุ ป, ปัญญวัคคีเพลิดเพลินยินดีในภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เมื่อพระธรรมเทศานานี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตัดอยู่ไ อ, อทำมาจากสุขคือดวงตาที่เห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่พระัญญากชั ญ, ญาได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของพระัญญากชั ญ, ญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นนะฮะเรเห็นว่าเห็นเท่านี้เป็นพระโสดาเนะีเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นไม่ไม่ใน ม, มากเท่าไหร่นนะ ยังกินจิสมุทรายะธรรมังสบบรตางนิโรธธรรมังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเวลาพระโสดาท่านเห็นดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นเท่านี้ทุกทีแต่ทั้งก็เป็นพระโสดาบันแล้วปัญหาที่หน้าที่หน้าศึกษาก็คือว่าไอ้คำว่าเห็นในที่นี้คือเห็นยังไงเห็นเห็นก็เหมือนคําเดิมฮะจากคุ้งอุาปาติยานัง จักขู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นไอ้สิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดผุดขุดขึ้นเพราะงั้นไอ้คาว่าธรมมจักสุคือดวงตาที่เห็นธรรมนั้นเป็นดวงตาของปัญญาปัญญาประเภทไหนปัญญาประเภทที่ยกในตอนต้นญาติสัมมปัญญาเอวามูเอวามตังยทัทาภูตังสัมมปัญญาจะนัตตะบัง ตอนนี้อันเธอทั้งหลายเพ่งเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้อย่างนี้ไอความเห็นในชั้นนีมน้มันมีลักษณะเหมือนกับแสงสว่างระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดเป็นแสงสว่างระดับหนึ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะทำหน้าที่ของมันประการแรกคือโสตาปฏิยังฆะสีมีอ์ของมัทโธดาบันสี มีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่งอนงแงครอนแคลนในคุณพระพุทธเจ้าตามนัยะพุทธคุณนะฮะตามนยะพุทธคุณเก้าข้อที่เราสวดกันเนะี่ยถ้าตั้งหลายลอง ล, ลองนึกน้อมนึกดูด้ว่าพระพุทธคุณทั้ง9ก้าข้อนะมันมีอะไรในเราอย่างเครื่องแค ร, รงสงสัยเยอะบ้างวันที่เราสงสัยนะฮะยิ่งไปอธิบายอ่านมากแล้วเนะนี่ยฮะจนเช่นเช่นโลกาวิถีเวลาท่านอธิบายโอ้โ ห, โ, หโลกสารพัดเลยโลกบางโลกวิทยาศาสตร์ยังไม่เจอเลย ปัจจุบันเนี่ยแต่แต่ท่านอธิบายไปแล้วพระพุทธเจ้าเห็นนะพระพุทธเจ้าเห็นแจ้งโลกเหล่านั้นี่ยเพราะงั้นอย่างอย่างนักวิทยาศาสต ร, ร์เราไปอธิบายว่าเฮ้ยอันนี้มีที่ไหนเห็นมีตามําราสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าแล้วไม่ไม่เป็นประโซดาบัานฑ์อะไรแต่อย่างเนี้ยนี่เราจะเห็นว่าพอเราไปศึกษามากแล้วเราจะสงสัยในพระคุณทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเรายัางไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมมีเรื่องบางเรื่องอย่างอย่างการนิโลกเนี่ยฮะ การนีโลกมันมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งยติกนิกายนะครับ ก, ก็สรุปก็มีหลายสูตรแหฮะแต่ว่าข้าวมันข้าวมันอยู่ที่อักาญสุดพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องจักรวาลโลกนี้ตั้งอยู่บนอะไรนะโลกโลกนี้อยู่บนลมลมอยู่บนอะไรลมอยู่บนอากาศอากาศอยู่บนสุญาาสญากาศสุญญากาศอยู่บนอะไรพระพุทธเจา้าเลิกเลิกถามยุง่ง <laughs> ถามนอกเรื่องมากไปนเนี่ยเล เราเห็นว่าพอเอาค่าจริงมันก็ก็กยังงั้นนะฮะยังงั้นเองไปสุญญากาศไปเจอสุญญากาศสุญญากาศแล้วก็ไปไปไปไปใกล้าดาวดาวอื่นมันก็อยู่ในรูปเดิมอีกมันก็คือบรรยากาศนะแล้วก็ลมแล้วก็เออเอาน้ําก่อนนะฮะน้ําน้ำน้ ำ, นำแล้วก็ลมแล้วก็บรรยากาศแล้วก็สุญญากาศไอ้คําที่เรียกนะมันไม่แปลกหรอกแต่ลักษณะมันอันเดียวกันแล้วคําก็รู้สึ ก, กจะคล้ายกัน ไว้จ่าแสดงเรื่องจักรวาลไว้วิจิตพิสดารจัดเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่เยอะเลยเมื่อสมัยสมเด็จพระมหสมณะ ย, ย, ย, ย, ยังไม่กล้าแปลนะพระสูดเนี่ยรกลัวกลัวคนก็จะหาว่าศาสนาฟุตโกหกแล้วคนที่แปรเป็นใครรู้ไหมฮะผู้ศึกษาจักรวาลวิทยาของอเมริกาเป็นคนแปร ى. เป็นคนแปรมาแล้วก็เผยแพร่เองทีนี้ถ้าถ้าเรายัางในเมืองไทยเร า, ายังไม่ได้ศึกษา ระบบคัตเตอร์ในเยมมนีที่มีดวงจั ก, กระดาราถึงเท่าไหร่ยี่สิบ้าตัวเลขยี่บเก้าตัวเลขอ่ยี่บเจ็ดตัวเลขนะฮะมีมียี่บสามนำหน้าแล้วก็ต่อในเลขศูนยี่บเจ็ดตัวนี่พระเจ้าแสดงในนั่นเองฮะแต่พวกเนียอธิบายไปในบทคัมมาโลก็ไมถูสจรู้แจ้งโลกพอรออธิบายไปไประเดี๋ยก็เกิดวิจิกิฉาทัีเพราะเรายังยังยังไม่ได้ระดับญาณ ในญาพระพุทธคุณแต่และข้อถ้าพอตีออกไปแล้วนะฮะเราไม่สงสัยอะไรเลยนั้นแสดงว่าเราเป็นพระโสดาบันแต่ว่าแน่นอนเหลือเกินนะฮะถ้าว่ายังไม่เป็นความรู้ระดับญาณแล้วต้องสงสัยต้องโต้แย้งต้องโต้แย้งต้องสงสัยอย่างประสัพพันยุตญาเนือความาสัม ม, า ส, มจ า, จาสัมพุทโธวิจารณสัมปัโนทั้งหมดนะจะสงสัยทันทีแล้วก็มีความเชื่อ มั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมตามนัยะธรรมคุณนั่นเองฮะตามนัยะธรรมคุณเราจะเห็นว่าอย่างอย่างพวกอากาลิโกของธรรมในบางทีเราก็สงสัยอ่ะสงสัยแสดงว่าอะไรแสดงว่ายัางไม่เป็นประโสดาหรือว่าสุปฏิปโนโนี้ยิ่งเละใหญ่เลยสุปฏิปโนโนี้ยุ่งมากเลยข้อที่สามเนี่ยมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เราจะเห็นว่าเราจะสงสัยนัยยะพระ ถ้าสังฆคุณสี่ข้อนี่ว่างปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรสงสัยแล้วให้ลองสังเกตว่าถ้าตั้งปัญหาถามแล้ว อ, อโยมลองไปอ่านปัญหาที่จะมาตอบมาดูปัญหาเรื่องพระเนี่ยก็จะสงสัยในสังฆคุณนี้เองมันแสดงให้แสดงว่ายังไม่ได้ดวงตายินธรรมไม่ได้ดวงตายินธรรมแล้วก็ไม่มีความเครือบแคลงในไใจสิกขาหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญา ทำหน้าที่จัดสิ่งที่เราเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์อย่าลืมนะฮะสังโยชน์ก็คือกิเลสอีกทําทไมไปไ ป, ไปไปไปพูดเรื่องสังโยชน์เพราะว่าพระโสดาบันนั้นศีลแต่สมบูรณ์ศีลเราไม่พูดแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วสมาธิท่านได้พอประมาณนะได้พอประมาณไม่ถึงก็สมบูรณ์นะปัญญาก็พอประมาณแต่ว่าสังหาร อยู่บ้านปัญญาตัวแสงสว่างนะฮะจะทําหน้าที่ขจัดความมืดคือสังโยชน์ออกไปได้สามข้อเรียกว่าดวงตายนครับคือสักกายะทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนะอัน น, นี้นี่เราพูดหยาบหยาบนะฮะว่าว่ากันตามความเป็นจริงที่เราเอาเผยแพร่นในเราพูดหยาบหทั้งหมดเราไม่ได้พูดจริงอ่ะไม่ได้พูดตัวลึกลงไปลึกลงไปในปาณ า, าติบาคําเดียวนี่ปาณาติบาตตัวเดียวนี่อธิบายไปแล้วก็โอ้โหไม่ใช่ทาง่ายนะ แต่เขาไม่กล้าพูดระกลัวโยมจะกลัวกลัวศีลวิ่งหนีหมดเลยพูดอยากฆ่าสัตว์ก็นแล้วกันนะพูดอยากฆ่าสัตว์ก็นแล้วกันแต่ว่าชั้นจริงๆเวลาเป็นศีลจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะฆ่าสัตว์หรอกแต่เขาไม่อธิบายออกไปเองฮะไม่อธิบายออกไปเอาตรงนี้ก่อนพูดกันตรงนี้ก่อนเราหยาบหยาบให้ได้เสร็ครับในสักการทิฏฐิก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าความเห็นของคนเราให้ลองสังเกตนะเราจะเอาเราไป ไปผูกกับขันห้าไปผูกพันกาขันห้ามันจะหมุนอยู่เนี่ยเราเป็นรูปรูปเป็นเรานั่นชุดหนึ่งเนี่ยเขาสงสัยว่าเราเนี่เรากับรูปนี่หน้าเป็นนันเดียวกันหรือว่ารูปเป็นเราหรือเราเป็นรูปนะหรือว่ารูปอยู่ในเราหรือว่าเราอยู่ในรูปใช่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะออกเป็นสี่แล้วพอเวทนาก็สี่อีกเราเป็นเวทนาเว เวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีมีในเวทนามันก็สรุปแล้วว่าเราจะผูกพันกับขันห้าเนี่ยยสลักษณะด้วยอย่างละสี่นะห้าสี่ก็ยี่สนี่คือตัวสักกายทิฏฐิจริงจริงแต่ว่าเวลาเขาอธิบายเขาแม่อธิบายไงเขาแม่ที่บายก็พูดแต่วความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นพักเป็นพวกเป็นเราเป็นเขาเอาเท่านั้นก่อนพูดกันเท่านั้นก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันในห้องเรียนเวลาปฏิบัติแล้วก็ มีมีก็เรียกว่าประมาณ75เปเซนเนี่ยจะต้องเป็นผลจากการปฏิบัติเราเองเขาจะไม่เอามาพูดมันมันมันเกินไปยากเกินไปแล้วก็ละวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความสงสัยนั้น เ, เรื่องสําคัญนะฮะมันตั้งแปดเรื่องเราจะเห็นว่าสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรศิขา ทำไมท่านไม่สงสัยเพราะท่านเชื่อมั่นแล้วอย่างที่ว่าตะกี้เห็นไหมฮะมันมันจะสัมพันธ์กันเลยกับองค์ของพระโสดาบันเนี่ยองค์โสดาบันสท่านมีเพราะงั้นเมื่อท่านมีท่านก็ไม่มีวิจิกานี่วิจิกจาอีกสอย่างซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องอดีตเพราะจะจะมองสิ่งในแง่ของเหตุปัจจัยอย่างที่อ่านมาว่านะแล้วแต่ชุดไหนเราตามแต่เราจะพูดแต่ก็หมายถึงชุดเดียวกันนะ มีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสมีกรรมมีวิบากหมุนอย่างเงี้ยไม่สงสัยฮะถ้าตราบใดที่มันยังมีมันก็ยังมีอย่างั้นไม่สงสัยรูปชีวิตของอดีตแล้วไม่สงสัยเรื่องอนาคตว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้มันมีเหมือนเมล็ดพืชอย่างเนี้ยเอามาเล็ดมาต้นหนึ่งมีมียางเหนียวหนอกก็มีไปได้อุณหภูมิที่เหมาะสมมันงอกงอกมันก็แตกกิ่งก้านสาขามันก็ออกลูกต่อไปลูกมันถ้ายังคุณสมบัติครบทั้งสามอย่างมันก็ปลูกสืบเพื่อพังกันได้ ยังพูดถึงมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวตราบใดที่มันยังมีคุณสมบัติเหล่านี้มันก็งอกเข้ามันอยู่เรื่อยอย่างนั้นน่ยชั่วกับชั่วกันว่าไปเรืยแต่เวลามันหมดแล้วหมดอ่ะถ้าว่าหมายความมาว่ามะพร้าวทุกลูกในลูกเออในโลกเนี้ยนอมันถูกทําลายยกตัวอย่างเงี้ยนอถูกทําลายหมดแล้วมันก็หมดเองมะพร้าวหมดเองแต่ความเป็นไปได้มันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็มันเหมือนกับคนบางคนที่เขาเขาก็มักจะพูดมาเองก็พบได้ยังคําสามว่า แต่พยวพระเจ้าเตยสอนให้คนไปนิพพานกันหมดแล้วโลกมันก็ไม่มีคนอยู่เดีบอกว่าคุณอย่าไปยุ่งทีไห น, นมันเป็นเป็นห่วงไว้ข้าเรื่องอะ่ะเป็นห่วงไว้ค้าเรื่องอเป็นห่วงแบบไหนฮะแบบไอ้ไส้เดือนกินดินแล้วไม่กล้ากินมากฮะกลัวไส้เดือนจะหมดอะ่ะโบราณก็บอกว่าไส้เดือนเนี่มันกินดินแต่ไม่กล้ากินมากเพราะกลัวไส้เดือนจะหมดมันมีนกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านกไอ้มูลถ่ายหรือนกต้อยติวิทฮะมันจะนอนหงาย นอนหงายทักฟองไข่เอาไว้โบดาอธิบายว่าเพราะมันกลัวบกฟ้าจะถล่มมาทักฟองไขมนะ่มันการเนี้ยคือความโง่แบบไอ้ท่าเดือนความโง่แบบน้องก้อยจีวิตมันมันมันไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องอย่างนั้นน่ะเขาไม่คิดกันเพราะมันเป็นเป็นไปไม่ได้ทีนี้ต่อไปก็คือศีลรับพัตต์ปรามาสนะฮะถือมัน่นในศีลและวัดต่งตางๆก็หมดเพราะั้นพระ โกนธัญญาองค์นี้ที่จริงท่านชื่อโวนธัญญาพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วมันมหัศจรรย์ท่านจะลืมนะฮะพระสูตรแต่ว่าอามาจะจะไม่ผ่านไปไปถึงโน้นมันยังอีกยาวช่วงหลังนี้พระสูตรเนี่ยที่เราเฉียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยพบแต่หนังสือพวกสำนักอภิธรรมกับหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเขียนบางทีเขียนหนังสือตีกันเลยฝ่ายหนึ่งบอกว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ทั้งหมดฝ่ายหนึ่งว่าไม่ใช่ แต่แท้ได้จริงและดื้อด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยคือลองลองสังเกตนะ ว, ว่าพระสูตรที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยลองสังเกตนะฮะว่าเอวเมสุตงังกีกังสมยังปะกวา น, นะแปลนะฮะว่าออข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทรับอยู่ที่อิสิปตนะมริกาญวันใกล้เมืองพารานสีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดเรียกพระภิกษุปัญญวะคีมาแล้วจัดว่า ตรงนี้ให้ให้ลองดูฮะอ่านหนังสือแตกมันก็รู้แล้วไม่ใช่พุทธพจน์พระอานนท์ท่านบอกแล้วพระอานนท์ท่านบอกตรงเนี้ยแล้วไปเถียงกันทาไมหรอมันก็รู้อยู่แล้วเลยนะก็พระอานนท์ท่านบอกว่าเอวเมสุตตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังแล้วเล่าใว้ฟงขอบพระพุทธเจ้าจัดเรียกภิกษุ ป, ปัญญบคีมาแล้วรับสั่งว่าดว เ, เวเมพิกเวรับสั่งว่าดเวเมพิกเวพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนั้นนั่นแหละคือพุทธพจน์พุทธพจน์ตรงนั้น พอมาถึงตัวธรรมจักรตรงนี้ตรงหัวนะหัวท่านจะเห็นว่าสามสี่บรรทัดเนี่ยมันจะพุทธพุทธก้นข้อความมันก็บอกแล้วพระนรตะก็บอกแล้วว่าเอวเมสุตตังท่านสดับมาแล้วอย่างนี้ท่านเล่าให้ฟัง <ๆ S 2> เป็นการรายงานนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อพอมาถึงตรงนี้พระพเจ้าก็ทรงรับสั่งว่ายานันจะปนเมสุตตังอุดาปาดิอกุปเมวุมุตติอยมันติมาจัตินติดานิปุณัปภวติอิดามโวจะภักกวา พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดพระสูตรนี้จบลงอันนี้เสร็จแล้วนะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะเราจะเห็นว่ามัไม่ใช่พระพุทธโพสหรอกในพระอานนทันเล่าพระอนนทันเล่าต่อนะพระพุทธเจ้าเทศจบตรงเนี้ยต่อไปนั้นพระอนนทันเล่านี่เราต้องแยกให้ออกมาอ่านหนังสือให้เข้าใจมันที่จริงมันไม่น่าเถียงกันนะะไม่น่าจะเถียงอะไรเลยมันมันก็พูดเรื่องกันเรียกว่าเอาชนะกันเฉยๆมันไม่มีหรอกพุทธโพสทั้งหมดอ่ะ ไม่ว่าในพระสูตรพระอภิธรรมวินัยแล้วก็บอกอรงนี้ก็บอกตรงนี้พระเล่ามารู้พระพุทธเจ้ารักสั่งอย่างนี้ก็เขาบอกไว้เนี่ยฮะเขาก็ทําฝันหนูเอาไว้เลยว่าแต่จริงบางทียก็บอกไว้เลยว่าตรงนี้เป็นพุทธพจน์เขาแยกแยกไว้เสร็จนะพระใจวิดกที่จริงเราไม่มาไม่น่ามาเถียงกันนะแต่อย่าลืมว่าพระใจวิดกในมันเกิดจากการสังขารนาคือมีการจําทรงไว้พระานุนังจำทรงไว้พอสังขารนาท่านก็ต้องเล่าขึ้นเอวเมทุตีฮะแต่พระสูตรในส่วนมากจะขึ้นเอวเมตีแต่ก็มีแนวนะมันมันมีแนวตั้งเก้าแนว ส่วนมากจะเป็นเอวเม่ตามประศุตก็ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แต่ทีนี้ตอนตอนภายเนี่ยฮะมันมีเรื่องซึ่งในประสูตรอื่นไม่ไม่มีการบรรยายไม่มีการบรรยายรายละเอียดไว้อย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องมองย้อนไปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งว่าไอ้ปรากฏตุการณ์ที่มหาสัจจันทร์เนี่ยที่เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวแต่ไม่ใช่ไหวแบบตึกพังนะมันจะไหวแบบ แบบตึกพังมั น, มนสแสดงอาการแปรปรวนธรรมชาติเนี่ยแปรปรวนตามธรรมชาติคือคือคือใกล้ๆกับเ ท, ทวดาวฟ้าดินท่านยอมรับรู้อะไรแต่ไรแผ่นดินไหวนี่มีแปดอย่างนะพระเจ้าแสดงลมกำเริบนะท่านผู้มีรัฐมีฤทธิ์บันดาลพระโพธิสัตว์จุติจากลุศิตรลงสู่ประคารันพระโพธิสัตว์ประสูนนะพระพุทธเจ้าสัจธรรู้พระเจ้าแสดงปฐมเทศนา องประชนมายุสังขารเด็กก็นิพพานเพราะงั้นตรงนี้มันอยู่ที่แสด ง, รงประตูเทศนาเรื่องจึงพิรกกเกือต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายเลยอยู่ในตอนสุดท้ายของพระสูตตอนสุดท้ายของพระสูตรประวัติเตเจะภะวาธรรมจักเกนะฮะเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอยู่นะั้ แล้วก็เกิดปรากฏการณ์มหาสิจันมากมายกายกองนะฮะเริ่มมาภุมมาเดวาสัต ด, ดัมนุสาเวสูงเทวดาภู ม, มิเทวดาเทวดาภาคพื้ น, นตรงนี้เราจะเห็นว่ า, าทำมาจากพระสูตรเราตั้งแต่พระสูตรแรกเลยนะเทวดาเป็นปึกเลยนะเทวดาเป็นปึกเลยขึ้นมาจากนี้จากภูมิมเทวดาเทวดาประจําภาคพื้นเนี่ยขึ้นไปถึงพรหมโลกเลยขึ้นไปถึงพรหมโลกเลย ดังนั้นให้ลองสังเกตว่าอาการที่ไปพูดปฏิเสธพระพุทธเจ้าหมาสแสดงเรื่องเทวดาพระพุทธศา ส, ะสะนาไม่ยอมรับพระเทวดาโก ห, นหนะาาโกะพระพุทธเจ้าหมาแสดงเรื่องเทวดาพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับพระเทวดาโกหกนั่ตูพระพุทธเจ้าดังนั้นแหละมีตั้งแต่ประสูติแรกไปเลยแหละมีตั้งแต่ประสูติแรกไปเลยตอนไปทรมานพระวรกาอยู่ก็มีเทวดามาดีดพินให้ฟังเว้่นึกถึงแสงคิดตอนประสูตก็มีเทวดามา สันั้นมีทานน้ารอ้อนน้ำเย็นลงมาจากอากาศเราเราไม่เคยปฏิเสธนะเรื่องเทวดาเนะี่ยเราไม่เคยปฏิเสธแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นสารณะได้เท่านั้นเองเป็นสารณะอันการเสพสูงสุดหรือหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะนับถือเทวดาเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวพึ่งพาอาศัยอะไรแต่อะไรกันได้เหมือนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะเราก็พึ่งพาอาศัยกันได้นี่ก็เป็นตอนหนึ่งแต่ว่าเวลามันมั น, ม, นมันก็หมดไปนะฮะ มาคิดว่าเราจะจะมาลองดูตอนสุดท้ายทีหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องอะไรน่าน่าศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธวจนะแต่เป็นรายงานการหลังจากจบพระธรรมเทศนาตอนนั้นเห็นจะต้องพูดในวันเสาร์อีกทีวันนี้ก็ยังชั่วน้อยไม่ปวดหลังต้องออกมาอีกอ